อ่าหรืออย่างเงี้ยการแต่งงานแต่งการมีครอบครัวมีลูกหลานสืบสกุลอะไรพวกนี้เราก็หลงว่าโอ้โหอย่างเงี้ยเป็นความสุขของชีวิตไม่ใช่ว่ามีใครมาหลอกเราแต่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะนะโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไอเราเห็นแล้วเราก็ก็อะไรอะ่ะก็สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเชื่อไปตามนั้นเราก็เลยหลงผิด ทิศผิดทางไปด้วยกับเขาเพราะฉะันอันนี้จะแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิบอกนะเพราะจะสัมมาทิฏฐิได้ยังไงอ่ะคราวนี้จะแก้ตัวหลงผิดนี่ได้ยังไงไหนลองช่วยกันคิดสิเออเราจะแก้หลงผิดได้ยังไงบ้างนะโดยเฉพาะที่สําคัญคือบางทียังไม่รู้เลยว่าหลงผิดยังคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดมาดีคิดมาถูกต้องแล้วจะซ้ํำไปบางสิ่งบางอย่าง เหมือนกับบางทีบางคนเขาจะช่วยชาติช่วยชาติใช่ไหมอะไรนะไม่ใช่แหมคุณ <c oughs> อาตมาไมไ่ไปบ้าเลวไลอะไรใครเขาอย่างนั้นหรอกแต่พูดเนี่ยแหละในโลกโลกเนี้ยที่บางคนน่ะคิดว่าจะช่วยประเทศชาติช่วยสังคมช่วยอะไรอา่าวอย่างเช่นหาเงินเข้าประเทศได้มากมากใช่ไหม อ่ะสมมติว่าช่วยชาตินะโดยที่บางทีจัดคาสิโน<笑>อ่าจะได้อะไรอ่ะให้คนหลังไหลมาแทนที่คนในเมืองไทยจะไปเล่นการพนันที่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งหรือไปอเมริกาเล่นที่拉สเวกัสอะไรก็แล้วแต่หรือที่ฮ่องกงเกาลูนอะไรก็แล้วแต่นะบอกว่าเอาเลยสร้างไอแรงการพนัน คาสิโนในเมืองไทยเลยนะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วเงินในประเทศก็ไปล่วนไหลออกไปคือคือเขาคิดแบบของเขาเนี่ยแหละแต่เขาคิดว่าเขาช่วยชาติ เ, าเขาหลงอย่างนั้นจริงๆซึ่งอันนี้มันหลงผิดหนะลงผิดหน้าหรืออาศัยอะไรอาศัยหวย อ, อาศัยสุราอาศัยยาสูบ โรงงานยาสูบนะเป็นเก็บภาษีราศาดรเอามาช่วยชาติอย่างงี้ก็หลงผิดอบัยามุกชัดชัดอยู่แล้วอ่ะอบัยามุกชัดชเลยนะอันนี้อันนี้มันมีทั้งหลงผิดกับหลงติดมีสองพวกหลงผิดพวกนึงก็คือนะ่ะพวกที่ไปคิดแต่ตัวเงินอ่านะแต่มันเป็นอบัยามุกเป็น สิ่งเสพติดเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยอ้าวโทษภัยมีตั้งเยอะตั้งแยะเงินที่ได้มาแค่นี้ไม่ไม่พอที่จะมาแก้ไขจิตใจของคนที่ไปตกอยู่ในอบายมุกนะแต่เขาก็หลงผิดไปอย่างนั้นส่วนพวกที่หลงติดก็คือพอมันไปเสพมันไปติดแล้วอ้าวมันก็ยิ่งติดใหญ่เลยขอนี้ก็เลยยิ่งเลิกก็ไม่ได้ใหญ่เพราะ ตอนนี้จะแก้สัมมาทิฏฐิของคนเรานี้ได้ยังไงโดยเฉพาะตัวเราเองจะแก้ได้ไงบ้างมีวิธีไหนที่จะช่วยได้ช่วยคิดหน่อยสิฮ ะ, อ, ะอันนี้ศึกษาจากผู้รู้เอาบางที ด, ด็อกเตอร์นี่นะด็อกเตอร์ที่ก็มีความรู้มากเขาเป็นคนเสนอให้ใช้วิธีหาเงินเข้าประเทศอย่างเงี้ย อา้าวผู้รู้ก็ต้องต้องเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงสิใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้รู้แบบกิเลสรู้แบบโลกโลก อ, เอ่เอาหนึ่งอ า, อาศึกษาจากผู้รู้อา้าวสองมีอะไรอีกฮะฟังฟังพระธารนไปฟังแถวไหนแถวตลาดไหน ก็ถูกแล้วที่ยิงพวกคุณพูดมาการที่จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยจริงๆแล้วนี่ไม่มีทางอื่นหรอกมีแต่ว่าต้องฟังเทศฟังธรรมหรือว่าต้องเผยแพทยธรรมะเนี่ยให้มากขึ้นให้คนที่บางทีเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังให้เขาได้ยินได้ฟังอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายอะไรจนเกินไปใช่ไหมแต่แต่ก่อนเราไม่รู้อ่ะเราก็ทําอย่างที่เขาทํากันน่ะ แต่พอเรามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมที่เป็นสัจธรรมขึ้นมาโอ้โหเออใช่อย่างนี้สิถึงจะถูกต้องใช่ไหมเรามีเชื้อของสัมมาทิฏฐิอยู่อ่ะจริงมิจฉาทิฏฐิเราก็มีด้วยนะแต่เราก็มีเชื้อของสัมมาทิฏฐิอยู่ด้วยวันพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมปั๊บโอ้โหสัมมาทิฏฐิเราที่มันยังมีเป็นเชื้ออยู่เนี่ยมันก็ขึ้นมาได้เลยแล้วมันก็มาล้างไอ้มิจฉาทิฏฐิในจิตของเราเนี่ยได้ ทำให้หูตาเราก็สว่างขึ้นจงกระทั่งบางคนเห็นไหมดูซิอย่างองค์คุลิมาอย่างเงี้ยโอ้โหผู้เจ้าตรัสสอนแค่ไม่กี่คําไม่กี่ประโยคก็่าน้เองโอ้โหวางศัตราวางอาวุธเลยเลิกฆ่าเลยขอบวชเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมีเชื้อของความดีอยู่แล้วอ่าเป็นบารมีเก่าแต่โดนครูบาอาจารย์หลอกใช่ไหมให้หลงผิดให้ไปฆ่าคน คิดว่าถ้าค่าคนได้ครบเทะะ่าไหร่ได้ครบพันคนแล้วก็จะได้แบบได้สุดยอดวิชาหรือว่าได้บรรลุธรรมอะไรพวกนี้นั่นแหละอันนั้นก็หลงผิดไปเพราะว่าโดนครูบาอาจารย์หลอกเอาเห็นไ้ยแต่พอมาเจอพระุทธเจ้าได้ฟังสัทธธรร ม, มเพราะนั้นข้อที่สองจะแก้ความหลงผิดได้ถ้าเป็นตัวเรานะ ซึ่งบอกแล้วว่าโอ้โหเรายังมีความหลงผิดอะไรอีกเยอะเลยหลงผิดแม้แต่บางทีอ่ะถ้าคุณได้ฟังธรรมเนี่ยนะจริงๆอ่ะเราศีลห้าข้อเนี่ยเอ้าถามจริงจริงค่ะคุณได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแล้วคุณเลือกกินเนื้อสัตว์คุณคิดจะถือศีลตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมเพราะไม่ใช่แค่ว่าได้ฟังธรรมแล้วนี่ก็จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิเลยนะยังนะคุณ อันนั้นน่ะสำหรับผู้ที่มีบุญบารมีเก่ามากพอพอได้ฟังเพียงครั้งเดียวหรือได้ฟังไม่กี่ครั้งปั๊บโอ้โหขึ้นเลยนาบารมีเก่านี่ขึ้นมาล้างมิจฉาทิฐิเลยที่ที่ที่ของใหม่ที่มันจะกลังจะมากบของเก่าที่ดีของเราเนี่ยใช่มพอพอเจอธรรมะที่ดีที่ถูกต้องปั๊บโอ้โหธรรมะที่ดีมาล้างของของไม่ดีของใหม่ที่จะมากบนี่ทิ้งได้ อ่าแต่ตอนนี้ที่เราสะสมมาไม่มากพอแม้คุณได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังหัวข้อเนี่ยศีลห้านิวยหูเรียนมาตั้งแต่เด็กๆห้าข้อเนี่ยคนสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วศีลข้อหนึ่งอ่าปานาติปาต า, า, าเวลามณีให้งดเวน้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโธฟังมาจนช่าแฉแต่ไม่เคยนึกเลยนะ ก็ยังคงฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตอยู่นั่นนะ่ะเอาอยัางกินเนื้อสัตว์เป็นว่าเล่นอยู่นั่นนะ่ะเห็นไหมอันนี้เนี่ยบอกแล้วนะถ้าคุณบุญบา ร, รมีไม่มากพอเนี่ยนะแค่ฟังธรรมเฉยๆไม่พอคราวนี้จะต้องได้ฟังธรรมอย่างพิสดารด้วยคราวนี้คือคื อ, คอพูดง่ายๆว่าขอบอกตรงๆกันนะคือเรายังโง่อยู่มากอ่เอาเรายังโง่อยู่มาก ฟังทำแค่หัวข้อธรรมดาเนี่ยไม่ไม่สะดุ้งสะเทองหนังไม่สะดุ้งสะเทอนหนังเราซึ่งมันยังหนาอยู่เออมันก็เลยก็เลยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าไปที่จะทําให้กระตุ้นจิตใจเราเนี่ยที่จะเลิกหลงผิดเนี่ยมันมันมันไม่เลิกหลงผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเราจะต้องได้ฟังธรรมโดยพิสดารด้วยหมายความว่ามีผู้ที่สอนธรรมะให้กับเราแล้วสอนสัจธรรมเนี่ยสอนคอมเป็นจริงของชีวิตเนี่ยที่ถูกต้องที่แท้จริงให้กับเราแล้วสอนให้เราได้รู้ได้เข้าใจเลยไงไม่ใช่ให้เราแค่ไปคิดเองแล้วก็เข้าใจเพราะเราเป็นคนที่พูดง่ายคิดเองก็ยังไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเลยต้องมีผู้ที่สอนแล้วก็แยกแยะ แ, แจกแจงให้เราฟังจนเราอ๋ออย่างนี้เหรอเราเข้าใจนะสัมมาทิฏฐิเราก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เราก็เปลี่ยนใจจากความหลงผิดนะมาเป็นความคิดที่ถูกต้องนี่ถึงจะแก้แก้มิจฉาทิฏฐิของเราได้ได้ความหลงผิดมันไม่ง่ายนะบอกให้รู้ มันการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่พระเจ้าถึงบอกว่าคุณตอบแทนเอาข้าวของไปให้กินมีเงินทองไปให้ท่านใช้พระเจ้าังบอกนี่ยังยังตอบแทนจิ๊บจอยยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงบอกตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงนี่ต้องทำให้พ่อแม่ที่หลงผิดเกิดสัมมาทิ่ฐิขึ้นมาทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลมีศีลขึ้นมาอันนี้ ผูเจ้าถึงจะบอกว่าอย่างนี้ถึงจะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถูกต้องขึ้นมาแล้วเป็นไงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วอ่าท่านก็จะปฏิบัติ ด, ดีใช่ไหมเมื่อท่านปฏิบัติดีมาท่านไม่ต้องไปมีวิบากกรรมที่จะต้องไปเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยต่อไปอีกท่านก็มีแต่ใช้หนี้เก่าที่ท่านทํามาเท่า น, นั้นเองหนี้ใหม่ไม่มีไม่มีเพิ่มหนี้ เพราะว่าของหมายเป็นบุญไปหมดแล้วไม่เป็นหนี้บาปหนี้เวรแล้วเะน้อยอย่างนี้ถึงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้คือทําให้พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องสร้างหนี้ต่ออ่านี่ถึงจะเป็นบุญกุศลที่ที่ถูกต้องน่าอ่า น, นี้ยกตัวอย่างคร่าวๆที่ให้เราเข้าใจว่าโอ้หลงผิดเราจะต้องทําให้มันถูกต้องตอนนี้โดยเฉพาะตัวเราเอง นะแล้วคราวนี้เมื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมอันตมาจะบอกบางคนเนี่ยได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากความหลงผิดนั้นได้ฟังแยกแยะโดยพิสดารแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจก็มีอยู่จนกระทั่ง ต้องลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติจะเป็นการแก้ความหลงผิดได้ชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรดีเท่าการลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าบางครั้งมีบางคนมาบอกเราว่าเนี่ยคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้นนอ่า แต่ผู้เจ้าก็บอกว่าเอาละเธออย่าเพิ่งไปเชื่อแล้วกันว่าว่าจริงหรือว่าไม่จริงคําสอนนี้ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องเธอลองเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติดูถ้าเธอปฏิบัติแล้วใช่ไหมอ่ามันก็จะรู้ผลออกมาสิถ้าปฏิบัติพอรู้ผลออกมานี่แหละมันจะทําให้เรารู้ว่าอันนี้ความคําสอนนี้สำมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิรู้ผลออกมาแล้วคราวนี้ คำตอบที่ใครเป็นคนตอบเราเป็นคนตอบนะไม่ใช่ผู้รู้ที่ไหนมาตอบให้เราเพราะเพราะว่าบางทีแล้วเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราก็ไม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะอ่าเพราะบ่อยไปบางทีพ่อท่านอ่ะสอนสอนพวกเราอ่ะใช่ไหมหรือว่าเราไปฟังพระที่ไหนก็ได้ท่านเทศสอนเนี่ยเราก็ว่าท่านก็เทศดีนะ แต่เราไม่คิดจะมาทําเลยใช่ไหมเออท่านะเทศดีอ่ะท่านกเทศถูกอ่ะแต่เราไม่เชื่มาทําอ่ะจริงอาจจะมีสัมมาทิฏฐิขนาดหนึ่งแต่ยังไม่คิดมาทําแต่มันเป็นแค่ความคิดเนี่ยเราอาจจะยอมเชื่อเชื่อในในบ้าว่าเออเนี่ยดีแล้วถูกก็แล้วแต่เราไม่คิดจะทําเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ที่ถูกต้องเต็มร้อยหรอก มันยังเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองซึ่งความคิดเนี่ยบอกแล้วพลิกผันง่ายสำ ม, มาทิฏฐิที่ยังไม่มีการปฏิบัติได้จริงจนเกิดญาณปัญญาขึ้นมาด้วยตัวเองสำ ม, มาทิฏฐินั้นพลิกล็อกได้ง่ายแต่ถ้าสั ม, มาทิฏฐิไหนที่เรามีแล้วเราลงมือปฏิบัติได้ขึ้นมาอันนี้แหละคุณจะเข้าสู่โซดาบันแต่ถ้าคุณมีแค่สำ ม, มาทิฏฐินะคุณพอจะรู้แล้วอะไรถูกอะไรผิด อ่าแต่คุณยังไม่ลงมือปฏิบัติอ่าอันนั้นอาจจะเป็นโคตรภูบุคคลแต่เห็นไหมยังยังไม่เป็นอริยบุคคลจริงๆยังไม่เข้าฐานโสดาบันจริงๆเรียกว่าแค่แค่ขาก้าวมาขาหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งยังก้าวเข้ามาไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อาจมาจริงจริงแล้วเนี่ยอาจายังจะถือว่ามันยังมีส่วนของความหลงผิดอยู่อีกส่วนหนึ่งเพราถ้าคุณหลงหลง ไม่ถ้าคุณไม่หลงผิดแล้วเนี่ยก็ทําไมล่ะก็มันดีแล้ว่ทําไมไม่ทํำล่ะใช่ไหมมันต้องทําสิถ้าคุณชัดเจนจริงคุณต้องทําแน่มีเหลืออะไรดีแล้วไม่ทําอ่ะไม่มีหรอกถ้าคุณชัดเจนว่ามันดีแน่นอนทําไปแล้วเป็นความสุขเป็นความเจริญคุณจะสบายกับเก่าด้ยนะคุณจะปลอดโปร่งดีกับเก่าด้วยมีเหลือจะไม่เอาอะ่ะเอาแน่แต่สังเกตไหมลาอย่างที่บอก หลายอย่างที่เรารู้ดีๆแล้วเรารู้ว่าเนี่ยถูกต้องเลยพ่อท่านก็สอนถูกต้องสัมมาณะหรือศิกขาณะหรือเพื่อนเราก็บอกมาเนี่ยถูกต้องแต่เรายังทําอย่างเก่าเรายังทําอย่างเก่านเนี่ยเคือความหลงผิดที่มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต่อให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ตามต่อให้ได้รับการแจกแจงอย่างพิสดารก็ตามแต่ถ้าตราบใดคุณไม่ลงมือปฏิบัติ ให้เห็นแจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองแล้วคุณไม่เกิดสัมมาทิฏฐิที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตได้จริงหรอกและคุณจะแก้ตัวหลงผิดเนี่ยไม่พ้นสักทีนะเพราะฉะนั้นทำถ้าคุณทําได้จริงแล้วคุณจะเกิดญาณปัญญาและไอญาณปัญญาที่คุณรู้ของจริงด้วยตัวคุณเองเนี่แหละอันนี้แหละที่จะไม่แปลไปเป็นอื่นอีกแล้วคุณจะไม่ไม่เวียนกลับไปเป็นวิจฉาทิฏฐิในเรื่องนั้นๆที่คุณทํามา ชัดเจนได้ดีแล้วอย่างเช่นคุณเลิกกินเนื้อสัตว์ได้อย่างชัดเจนแล้วคุณรู้เล้วว่ากินมังสวิรัติแล้วเนี่ยนะหรือมากินเจนอย่างนี้แล้วโอ้โหดีกว่ายังไงด้วยตัวคุณเองแล้วคุณชัดเจนอย่างส้ำมาที่ถีด้วยตัวคุณเองไม่ใช่จากคําสอนที่ไหน mm. เห็นผลเกิดกับตัวคุณเองเลยถึงความปลอดโปร่ง mm. ถึงความสุขสบายทั้งกายทั้งใจอะไรอย่างนี้นะเที่ยงเลย คุณจะเที่ยงเลยที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณจะไม่เวียนกลับไปเป็นอย่างอื่นถ้าคุณทำได้ถึงเต็มร้อยอย่างที่บอกแต่ถ้าใครเนี่ยมากินมังสวิรัตก็จริงนะแต่ไม่เต็มร้อยกินตามหมูเพื่อกพวกเพื่อนผงคนในบ้านเขากินกันเราก็กินด้วยเขาบอกว่ากินแล้วเออดีอย่างนั้นอย่างนี้เออเออเออเอากินด้วยแต่คุณไม่เคยเกิดญาณปัญญา ที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวคุณเองเลยอ่ะว่ากินบังสูราสแล้วมันดีกว่ากันยังไงอันนี้เดี๋ยวเวียนกลับได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยสามารถเกิดญาณปัญญาแล้วคุณปฏิบัติได้เพียงแค่ฐานของโสดาบันเท่านะั้นความหลงผิดในระดับแบบฐานโสดาบันคุณจะหมดไปเลยจะเหลือแต่ความหลงผิดที่สูงกว่านี้เท่านะั้นที่คุณยังไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่ความสกปหลงผิดในฐานแบบโซดาบันในพวกอาบายามุขต่างๆานะหรือแม้แต่เนี่ยระดับอย่างของพวกเราที่เลิกของการกินเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยคุณจะชัดเจนเลยคุณจะไม่เบียนกับไอ้กินเนื้อสัตว์อะไรอีกเลยมันชัดเจนแล้วก็ชัดใจของเรานะอันนี้ตัวที่สองเรื่องของความหลงผิดนะบอกวิธีแก้บอกอะไรไปหมดแล้วนะ ตัวที่สามหลงไหลหลงไหลฟังดูก็รู้แล้วหลงไหลนี่เป็นประเภทไหน เ, เ, เป็นยังไงหลงไหลหลงแล้วก็ไหลไปเรื่อยฮไอ้ทุกข้อมันแทบไม่มีสติเท่านั้นแหละแหม่ต้องขาดสติเกือบเท่านั้นแหละ ลหลงไหลนี่จะเป็นสภาวะจิตที่มันตรงๆนะะหลงไหลอะไรบ้างอ่ะอา้าวหลงไหลในเรื่องกามโดยเฉพาะชัดๆใช่ไหมโอโ้โหโกบุ้นมัวเมาในเรื่องกรามรมรคะเรื่องอะไรอ่าอันนี้ลหลงไหลไปก็ได้ส่วนใหญ่เข้ามัยจะใช้ในเรื่องกามใช่ไหมลหลงไหลเนี่ยนะโกรธนี่เขาใช้ไม่ลหลงไหลโกรธไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันก็เป็นความลหลงไหลเหมือนกันนะ แต่ส่วนใหญ่มันจะใช้ไปทางสายการสายราคะมากกว่าใช้คำว่าหลงไหลแต่จริงๆแล้วโทรศนะัพทมันก็คือความหลงไหลเหมือนกันนะแต่มันหลงไปในในด้านของความไม่สมใจนะในด้านผลักหลงไหลไปทางด้านผลักแต่ไอไอทางการนี่มันหลงไหลไปทางด้านถูกไอด้านดูดอยากอยากได้มาอยากสแสวงหา เพาออยากได้อยากได้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือ1นึ่งก็คืออยากได้ในสิ่งที่เรารักมาเราชอบมาใช่ไหมเนี่ยหลงไหลในสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหลงไหลอย่างที่ทิรกี้บอกก็คือหลงไหลในสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยคือหลงไหลแบบนี้ก็คือว่าหลงไหลแบบ ไม่อยากได้มานะไม่อยากได้มาเพราะเราไม่ชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้มาเนีแต่มันตรงกันข้ามเป็นมุมตรงกันข้ามแต่เป็นความหลงเป็นความตรงเป็นความเกินนะอันเนี้ยเกินปกติผิดธรรมดาถ้าคนคนที่เขาหลงธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมมันก็ขนาดนึงถือว่าเราติดขนมอย่างเงี้ยไอ้บางคนติดขนมแต่ว่า เขายังมีขีดจำกัดว่าเออบางทีพอจะยับยั้งชั่งใจอะไรได้พอสมควรบ้างใช่ไหมไออย่างนี้เราถือว่าหลงแบบขีดธรรมดาขนาดหนึ่งแต่ไอลหลงไหลนี่มันลักษณะแบบโอ้โหมันเวอร์มันเกินละอย่างเช่นบางทีเราเอาเราเราติดอะไรอร่อยขนมเนี่ยขนมอะไรเอาขนมไ อ, อ, อใส่ไส อะไรนะขนมที่เขาขายเนี่ยเอาเค้กกล้วยหอมก็ตามสมมุติว่าธรรมดาเนี่ยคนที่เขาก็หลงอยู่นะเขาก็ชอบอยู่ใช่ไหมแต่บางทีเขายังกินแล้วเขายังพอจะมีสติอะไรยับยั้งชั่งใจอยู่บ้างแหมแล้วก็กินไปสักคือกินไปสักอะไรสองก้อนหรือเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ เ, อเค้กกล้วยหอมสองอันอ่ กินไปสักสองอันนะสมมตินะสองอันเราก็รู้สึกว่าอมันพอแล้วนะมันมันมันมันก็สมอยากเราพอสมควรแล้ะเอออย่างนี้ยังหลงธรรมดาธรรมดาขนาดหนึ่งแต่ไอ้หลงไหลนี่มันโอ้โหมันหนักจงบางคนเนี่ยสองก้อนมันไม่พอหรอกมันต้องสามก้อนสี่ก้อนคือมันเอาเวอร์มันเอาเกินบางทีเนี่ยใจมันยังอยากจะกินอีกนะแต่ว่ามันมาถึงคอแล้วมันยังยังยังยังจะกินลงไปอ ออประเภทหลงไหลเนี่ยมันแบบว่ามันมักจะเฟิรมักจะเกินอะไรที่มันปกติไปเขาเรียกโอ้โหไอ้นี่มันหลงไหลเอามากๆเลยนะมันถ้าหลงธรรมดาเขาก็ไม่เท่าไรหรอกเะั้นไอ้ตัวเนี้ยคนเราเนี่ยถ้ามันหลงผิดมาแล้วนะหลงผิดหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแล้วทําอะไรตรงตรงตรงตรงตรงมันจะมาหลงไหลหลงไหล พ้หลงไหลเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยพ้นมิจฉาทิฐิหนักหลงไหลนี่มิจฉาทิ่ฐิหนักแล้วก็จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองหลงนั่นน่ะใ ห, ให้ต้องได้อะถ้าไม่ได้แล้วตายก็เคยมีชาดกเคยเอามาสอนน่ที่มีมีพรามณ์พาล พาลูกชายตัวเองไปเข้าเฝ้าพระราชาเสร็จแล้วก็ไปไปเข้าเฝ้าเนี่ยลูกชายนี่ก็ไปเห็นกุมารกุมาริกาเหรดเด็กสาวคือไงเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งอะปรากฏว่าไปเห็นเขา้าโอ้โหรักชอบมากๆเลยเสร็จแล้วก็เลยขอให้พ่อเนี่ยแบบว่า ไปสู่ขอมาให้ได้พ่อก็จนบัญญาไม่รู้จะไปสู่ขอมาได้ยังไงใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ลูกเนี่ยอะไรอะระงับยับยั้งายไว้เถอะเสร็จแล้วก็เลยลูกก็บอกไม่ได้นะถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้มาแต่งงานคลองคู่แล้วเราก็ตายแน่แน่แค่ไปเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ เสร็จแล้วคือพ่อก็ไม่รู้จะไปสู่ขออย่างไงเป็นเหมือนกับในวังคนในวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะทำไงก็มีแต่ปลอบใจใลูกไอ้ลูกนี่ก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็ดวันตายเลย <c oughs> หลงไหลมันคุ้มค่างมันฟั่นเฟือนมากๆนะไอ้นี่เนี่ยประเภทหลงไหลเันพวกเนี่ยหน้ามืด พวกนี้มันหน้ามืดมากๆเลยคงเข้าใจคําสำนวนว่าหน้ามืดนะเออว่าอะไรมันหนักหนักมากๆากเขาไม่ใช่คนความดันต่ํำนะหน้ามือดอนนี้ไม่เกี่ยวกับคนความดันต่ำคออวามดันต่ำบางทีลุกขึ้นมาเร็วเรือื่นมาเลี้ยงสมองไม่ทันเน่าหน้ามืดอาจะล้มก็ได้อันนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับกิเลสอันนั้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแต่ที่เราพูดในที่นี้เราพูดถึงกิเลส ประเภทที่พวกที่จะเป็นหลงไหลยอย่างนี้ได้เนี่ยคือประเภทพวกที่ไปติดอะไรหรือว่าไปทำอะไรแล้วเนี่ยประเภทสุดโตงใครเนี่ยที่มีนิสัยสุดโตงแบบนี้คุณจำไปเลยว่าโอ้โหไม่ไม่ได้อะ่ะพยายามคุณพอมีสติพอรู้ตัวบ้างอะไรที่ทำแบบสุดโตงแบบนี้หัดหัดทให้มันพอดีพอเหมาะพอควรบ้าง แม้แต่มาถือศีลปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็ตามบางคนโอ้โหโสุดตรงมากเลยนะพอมาได้ฟังเทศพูดบ่อยอันเนี้ยนะกินมื้อเดียวเนี้ยนะโอ้โหดีห้าอย่างอย่างนี้นะทำแล้วก็จะมีอะไรนะมีพลังเบากายเบาใจมีความผาสุกแล้วก็อะไรไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรง่าย เนี่ยพอฟังไปเสร็จโอ้โหเอาเลยไอตัวเองกินไม่มีมือมานะปกติอะมาถึงเอาเลยโอ้โหเห็นมาฟังเสร็จอืคิดว่าดีก็มันดีจริงๆอ่อะนะไอดีเนะ่มันดีจริงๆอะแต่เนี่ยไม่ได้ดูความพอเหมาะพอดีไม่รู้จักประมาณตัวของตัวเองก็เลยเอาเลยทําเลยทันทีเลยโอ้โหสุดโต่งมากเลยไม่มี ระดับไม่มีขั้นตอนไม่มีเบื้องต้นถํามการทนปลายเอาปลายมันเลยเอาปลายมันเลยพูดอย่างนี้เนี่ยคงเข้าใจนะมันทำไม่ได้พวกเนี้ยพวกเนี้ยไปสั่งสมนิสัยแบบเนี้ยพอไปทำเสร็จพังคุณเหมือนกันนะพวกที่ลหลงไหลแบบเนี้ยพวกที่นิสัยลหลงไหลเนี่ยชอบทำอะไรอย่างเงี้ยสุดสุดขั่วแบบเนี้ยออ แต่นี่ถ้ามาทำสุดขั้วในทางที่ดีก็ยังยังถือว่ายังยังจะดีหน่อยใช่ไหมแต่ไปทำสุดขั้วในทางไม่ดีเนี่ยเป็นผิดศีลโอหรือว่าไปเป็นบาปกรรมอะไรยิ่งซวยหนักใหญ่เลยยิ่งติดหนี้ติดเวรนติดภัยเข้าไปหนักใหญ่แลนะไม่ใช่อย่างเรื่องที่เขาเล่าก่อนนะอ่าไอแบบประเภทสุดขั้วเนี่ยที่เขาบอกว่ากินสลเปาลูกแรกไปอะ ก็ยังไม่อิ่มกินลูกที่สองก็ยังไม่อิ่มกินลูกที่สามก็ยังไม่อิ่มต้องกินสี่ลูกถึงจะอิ่มเขาก็เลยบอกว่าเอา้าเอ็งอย่าไปกินทำไมสี่ลูกเปืองเงินเปลืองทองเอง็งก็กินลูกที่สีกก <laughs> กกส่ก็พอแล้วเอ็งก็อิ่มไงกินซาลาเปาลูกที่สี่ก็พอแล้วก็อิ่มนี่เป็นเรื่องเล่านะ <laughs> แล้วไม่อิ่มไม่อย่างนั้นอะ ไอ้อย่างนี้มันเล่าหลอกกันนะไอ้อย่างนี้กินลูกทีสี่แล้วเป็นไงก็เท่ากินลูกเดียวนะมันไม่อิ่มอ <c oughs> อันนั้นมันด้วยเรื่องเล่าขำขันที่เขาเล่าแต่อันเนี้ยให้เห็นแบบประเภทสุดตรงนะที่อธิมาพูดนี่คือพวดสุดตรงสุดตรงที่ไม่ทําเป็นขั้นเป็นตอนมาอ่ เั้นคราวนี้เราไปสารวจดูตัวเรามีหลงไหลอะไรอยู่นะฟังธรรมะฟังอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดไกลตัวมากพยายามฟังแล้วคิดย้อนมาที่ตัวเราเออตอนที่เรายังมีหลงไหลอะไรอยู่ไอ้ที่มันตรงตรงอะ่ะแล้วเราก็ยังคงชอบทาอยู่อ่ะโดยเฉพาะไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยแหละย้อนกลับมาเรื่องอาหารการกินเนี่ยแหละเรารู้เลยว่าเราชอบกินอะไรเนี่ย จริงบางทีเนี่ยอะไรนะโปรโตีนก็ดีะนะเต้าหู้ก็ดีะนะโปรโตีนเนี่ยแต่บางคนหูกินเยอะเกินเป็นอันตรายก็ได้ใช่ไมถ้าคุณไปตรงตรงอะ่ะเป็นอันตรายก็ได้เพราะนั้นจริงแม้เต้าหู้หรือแม้โปรโตีนถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ดีเนี่ยก็ต้องรู้จักประมาณมาเออกินขนาดนี้ขนาดนี้ แล้วมันถึงจะพอดีพอเหมาะพอควรอันจะต้องฝึกอันจะแก้ตัวหลงไหลเนี่ยคือคุณต้องหัดรู้จักประมาณรู้จักพอดีขึ้นมาอย่าไปให้มันโตง่งถึงจะแก้ความหลงไหลได้หรือสิ่งที่จะมาดึงลังความตรงอ่าแบบสมมติว่าถ้าเราตรงในความอยากก็ต้องหัดยังไงถึงจะดึงลัง อยากกินเยอะๆอยากกินมากๆฮะอะ่บางทีก็ต้องใช้อดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ตรงนะอันนี้จะเป็นตัวมาดึงล้งางข้อบางทีมันอยากมาก อ, ะอ่ะอ่มันมันกินแค่พอดีพอประมาณมันยังมันห้ามใจไม่ได้อะ่ะบางทีก็ต้องให้อดเลยเพื่อที่จะ